พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่เจ็ขณกะโมคลลานาสูตรสูตรว่าด้วยปรามชื่อขณกะโมคลลานะพระผู้มีพระภาคประทับณปราศาสของนางวิสาขาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีตรัสตอบเรื่องอนุปุปภาสิกขาคือข้อศึกษาโดยลำดับอนุปุปภะปฏิปทา ข้อปฏิบัติโดยลำดับในพระธรรมวินัยนี้แก่คณะกะโมคลณนะพราหมผู้ทูลถามโดยชี้ไปที่ 1. การมีศีลสำรวมในปาติโมกปาติโมก ค, คือศีลที่เป็นประธาน 2. การสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 3. ความเป็นผู้รู้ประมาณในอาหาร 4. การประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นคือไม่เห็นแก่นอนมากนัก 5. การมีสติสัมปชัญญะ 6. การบำเพ็ญสมาธิชำระจิตจากนิวรห้าการสงบจากกามจากอากุศลธรรมบำเพ็ญฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่พรามถามว่าพระนิพพานมีอยู่ ทางไปสู่พระนิพพานมีอยู่พระสมณะโคดมผู้ส่งชักชวนให้ไปก็มีอยู่เหตุไฉนไหนบางคนที่ได้รับคำสั่งสอนแล้วถึงได้บรรลุบางคนจึงไม่ได้บรรลุตรัสตอบว่าเมื่อชี้ทางให้คนไปกรุงราชครึแต่ไปทางอื่นเสียก็ไปไม่ถึงถ้าไปถูกทางตามที่ชี้ก็ถึงได้ นกกะโมคลานะพรามปราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรยัยเป็นสรณะตลอดชีวิต